สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะกับรายการสันนีสนทนาซึ่งดาเนินรายการโดยดิฉันสันนีนาคพง์เราพบกันที่สถานีวิทยุ FM-106 ้ครอบครัวข่าวแห่งนี้และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียตรติพูดถึงวันก่อนดิฉันได้ไปร่วมงานแต่งงานของคุณกระเตนคุณวรพรสมพง์ก็ได้พบกับชาวครอบครัวข่าวตลอดจนคนในแวดวงของช่องสาเยอะทีเดียวนะคะ คนดังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ได้คุยกับคุณไก่คุณพาสิทธิ์ซึ่งเคยร่วมตั้งคำถามในรายการนี้คุณพาสิทธิ์ก็บอกโอ้โหมีคนฟังเยอะนะเนี่ยมีคนมาทักผมว่าตั้งคำถามธรรมะด้วยหรอค่ะก็ดีใจนะคะที่มีคนฟังเยอะสำหรับวันนี้รายการของเราเนี่ยอยากจะกลับเรียนท่านฟังนะคะว่าดิฉันเองได้ สนทนากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนซึ่งได้สนทนาธรรมเป็นประจำอยู่ในช่วงเวลาของถามโลกตอบธรรมว่าอยากจะเอาข้อหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยสั้นๆแล้วก็ให้ท่านช่วยที่จะตอบด้วยประเด็นธรรมวเถ้าเราเห็นพาดหัวอย่างนี้เนี่ยเราจะคิดไปถึงข้อธรรมอะไรได้บ้างนะคะและในวันนี้ เพื่อที่จะให้ใช้เวลากันคุ้มค่ามากที่สุดสําหรับคนที่สนใจประเด็นธรรมก็จะได้กราบเรียนพระอาจารยร์ไพบุญอภิปุณโญเร็วมากขึ้นเรียกว่าวันนี้ถามโลกตอบธรรมจะเริ่มเร็วว่าอย่างนั้นเถิดนะคะและตอนนี้ท่านก็พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วคะ่ะน้มัสการ์ค่ะท่านอาจารย์คะนัะะเดืนฟานคะ่ะตอนนี้อากาศที่อุดรเป็นไงคะก็เริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นลงตอนเช้าๆก็มีหมอกแล้วก็ ผู้คนอย่างพวกเด็กที่ไปโรงเรียนตอนนี้เริ่มเปิดเทอมใช่ไหมเขาก็สวมเสื้อกันหนาวเป็นไปแล้วล่ะก็เท่ากับว่าประเทศไทยเราเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวที่มีสั้นและหลายคนจดจ่อรอคอยทางเหนือเขาว่าหนาวพอสมควรแล้วนะคะยอดดอยนี่ประมาณ9องศากว่าที่ดอยอินทนนท์นะคะถ้าอาจารย์คะหัวข้อข่าวกันเลยดีกว่านะคะถ้าหัวข้อใหญ่ๆอันนี้อาจจะไม่ใช่หัวข้อข่าว สำหรับวันนี้แต่ที่ฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคอมมานโดล็อกราเกสเข้าปอสอบเครียดคือคงเข้ากองปราบมั้งคะสอบเครียดเจอข้อหาอ่วมกว่า20คดีพร้อมส่งสารฝากขังต่ออย่างงี้เห็นแค่นี้มีข้อทําอะไรเข้ามาช่วยเราเพี่นาบ้างคะพระเจ้าบอกอย่างนี้ว่าซัลโลต้องไ ป, ไปตามกรรม ทำสิ่งใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคิดว่าเราเป็นเครื่องเตือนสติเราอะนะว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีค่ะถ้าใครอทำไม่ดีเราไม่สนใจเราทำความดีดีกว่าลักษนี้คือถ้าพุอธศาส น, าน้สอนให้มาพัฒนาตัวเองใช่ให้เป็นเครื่องเตือนสติเห็นใครที่ไม่ดีเราก็มาเตือนสติเราว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นเรา ยิ่งซ้ำจะมีความดีใจในใจว่าโอ้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะพ้นจากเราะแบบนั้นแน่นอนค่ะแล้วถ้าสมมุติเราอ่านข่าวเห็นพาดหัวนี้ทุกเอทีเอ็มพังยับสองตู้พบเปลี่ยนเสื้อสามตัวโจรทึมไม่ได้สักบาทเขาบอกว่าวงจรปิดนะคะ่ะพบว่าคนร้ายในอุซานะเปลี่ยนเสื้อผ้าอัพรางทั้งสามครั้งเออเออพราะอะไรก่อนค่ะพริเจ้าบอกว่าคนที่ทาอย่างนี้เนี่ย เพราะว่าการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกรมนั่นเอง ค, คนที่ไม่มีเงินเนี่ยก็เลยจะพยายามเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ในลักษณะนี้เฉันถามว่าเราอย่าเป็นธาตุของกรรมการมคืออะไรความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย ค, ความสุขเหล่านี้อย่าไปลหลหงไหลในมันถ้า่างนั้นเราจะเป็นธาต ของกามแล้วเราก็จะไปเหมือนเหมือนอย่างเขาอย่าเป็นอย่างนั้นอ๋ออันนี้เป็นพาดหัวของคมชัดลึกเขาพาดหัวติดกันอีกเรื่องหนึ่งนี่ใช้หัวข้อทําเดียวกันได้ไหมคะบอกว่าขออภัยนะคะนะขี้พึ่งฉีดนกขาวเน่าเตือนติดเชื้อถึงตายนี่นี่ก็น่าที่จะใช้หัวข้อทําเดียวกันได้เลย <c oughs> ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งนะคะพาดหัวขาวนี้เป็นของเดลีนิววันหนึ่งบอกว่าญาติไม่ติดใจแผ่นกันเสียงร่วงสายยายดั ก็ น, นี้เป็นเป็นความเามตตาของญาติเขานะมีความอุเบกขาที่ว่าพอญาติเราสิ้นชีวิตไปเนี่ยก็โอเควางอุเบกขาได้ไม่ติดใจเอาโทษเอาหัสิกรรมว่า ง, งั้นเถอะสำหรับผู้ที่ เ, เป็นเจ้าของทางด่วนอาจจะคิดว่าไอ้ตัวนี้เราทาสิ่งที่เรียกว่าปานาติบาตหรือเปล่าทาชีวิตของสัตว์ให้ตกล่วงลงไปก็เป็นการไม่เจตนาถือว่าไม่เป็นบาป เพราะนั้นบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เจตนาฆ่าสัตว์ก็ถือว่าไม่เป็นบาปนะถ้าอาจารย์ก็จะพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาเลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องชดใช้เพราะว่ามันไม่บาปแต่ว่าประมาทอย่างเงี้ยได้ไหมคะใช่ก็คือว่าถามว่าเป็นเป็นบาปไหมเอางี้ก่อนบาปเนี่ยเป็นอยู่แต่ว่ากรรมนั้นเนี่ยเป็นกรรมไหมก่อนนะเป็นกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยมันต้องมีผลของการการะทํา <C> e <an> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลของกรรมแน่ละ่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่มากถึงขนาดพาให้เราไปตกนรกได้ค่ะ <C> e <an> คือเรื่องแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุมันเกิดจากการที่มีรถชนกันบนทางด่วน <C> e <an> คนที่จะเอารถไปชนกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะขับไล่เพราะว่าคงไม่ได้โกรธแค้นกันมาก่อนแต่เป็นเรื่องของความอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นสถานการณ์มันขับขันหรือว่าอยู่บนความประมาทแต่ทีนี้ที่เวลา คนเขามองสังคมแบบจะดูแลสังคมเนี่ยนะคะนะเขาก็จะดูในลักษณะที่ว่าโหถ้าอย่างนี้นก็น่ากลัวสิเดินเดินอยู่ข้างล่างเนี่ยอะไรตกมาใส่หัวตายง่ายๆเลยนะดังนั้นต้องมีการรับผิดชอบนะค่ะเพียงนะแต่ว่าเร า, เราต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยการมีสติตอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ในกรณีอย่างเงี้ยถ้าดิฉันมองอีกมุมที่จะถามท่านว่าเขาจัดว่าเป็นอภัยทานไหมคะการที่เราไม่ไม่ไปคิดแค้นเครืองใครว่ามันจบแล้วก็จบไปเถอะเพราะว่ายัางไงเกิดมามันก็ต้องตายอยู่แล้วอ๋อใช่ใช่ช อภัยทานอันนี้เป็นหัวข้อที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เลยเหรอคะอภัยทานเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบถึงศีลห้าว่าถ้าเราตั้งใจจะฆ่าเขาเนี่ยไอ้แล้วเราไม่เอาดีกว่าไม่ฆ่าดีกว่ายกโทษให้อันนี้เป็นอภัยทานเราตั้งใจจะทําร้ายเขาเนี่ยแต่เราไม่เอาดีกว่าเลิกอ่ะให้ไปจะ เ, เป็นแบบอภัยทานมีอา น, นิสงส์ยังไงคะเนี่ย เอาอาจารย์ผูู้้าบอกว่าเป็นมหาฐานเป็นชั้นเลิศเป็นท่อดานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขและสวรรค์โดยส่วนเดียวค่ะเดี๋ฉันแถมนิดหนึ่งคือสมมุติว่ามันมีกรณีเล็กๆเนี่ยพูดมันทำให้เราเสียหายต่อหน้าทารกกำนันนะคะเราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยเออแล้วก็ตั้งใจว่าในชีวิตนี้จะไม่มีคนคนนี้อยู่ในหัวใจเราต่อไป นะคะฉันจะโกรธแค้นเธอคือเหมือนเหมือนโกรธแล้วฉันจะไม่ยอมรับการขออภัย อ, อย่างนี้มันเสียหายไหมคะถ้ามองในแง่ธรรมอันนี้ก็เป็นการผูกเวรเป็นการผูกเวรอืมแล้วแก้ยังไงคะท่านอ๋อแก้ด้วยการให้อภัยแผ่เมตตาเพราะว่าถ้าผูกเวรไปเนี่ยมันก็จะต้องไปตามจองรากชองผลานกันโอ้โหทาให้เรามีที่เกิดอีกนับไม่ถ้วนเลยนะถ้าพูดแบบคําสอนของพุทธองค์ที่ ดิฉันเข้าใจว่ามันจะทําให้เกิดพบเกิดชาติอย่างเงี้ยถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องเพราะมันมีความติดยึดไงติดยึดในคนพูดนั้นว่าฉันจะต้องมาตามล้างตามผลางกันไปก็จะพอมีอุปทานก็มีพ บ, ม, พบมีพบก็มีชาติแต่ถ้าพูดแบบเป็นปัจจุบันนะคะเพราะพบชาติในบางคนบอกมันมองไม่เห็นยังไม่เชื่ออย่างปัจจุบันนี่ไอการไปผูกแบบนี้มันก็ทําให้เกิดความทุกข์แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ความทุกข์เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตรงที่ว่าเราไปคิดเรื่องนี้ ผู้ที่อาจารบอกว่าไอ้ที่เราไปคิดเรื่องนั้นเนี่ยนั่นแหะคือเกิดละคือการเกิดครั้งหนึ่งละในชีวิตนี้คือเกิดของความคิดนี้ค่ะดังนั้นการที่ญาติของอท่านที่ถูกแผ่นการเสียงตกทับแล้วก็ให้อภัยนะคะไม่ติดใจยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่ผูกไม่ผูกเปนค่ะกรณียกตัวอย่างนั่นก็เช่นเดียวกันนะคะไปผูกไว้มันก็เท่านั้นคนที่มีความทุกข์เนี่ยคือเรา ค น, ค, คนที่คนที่ดูเหตุการณ์นี้น่าจะเอามาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมันตายกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะคนเราเนี่ยนั่งนัหรือเฉยยังตายได้เพราะนั้นรีบหาทางออกจากความทุกข์นี้ดีกว่าค่ะอีกข่าวหนึ่งท่านคะข้าราชการหนี้ท่วมครัวละเจ็ดแสนซีสามถึงห้าคือพวกใครการชั้นผู้น้อยเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่ากู้ใช้ซื้อบ้านรถมาก ที่สุดมังคะบี้ขึ้นเงินเดือนค่ ะ, อ ะ, อะพอเห็นข่าวนี้อาตมานึกถึงที่บุญเจ้าสอนเรื่องว่าให้กุลบุตรใช้จ่ายทรัพย์ยังไงพุญเจ้าตรัสอย่างนี้ว่ารายได้ของเราจากท่วมรายจ่ายรายจ่ายของเราจากไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้คือใช้จ่ายชีวิตใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยไม่ให้ฝึกเครื่องนักไม่ให้ฟุ่มเฟนะือยนักโดยมีหลักการอย่างสักรูนี้ที่รับที่บอกให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเรา ต้องดูแคชโลสิดูแคชโลในในครอบครัวเรากร<ค>ะแสงเงินเข้ากับกระแสงเงินสดค่ะว่ามันเป็นบวกหนึ่งเป็นลบ <คะ S 2> ต้อให้มันเป็นบวกเสมอ น, นี่คือปริชาพูดถึงอการที่สองก็คือว่าโทรศัพท์มือถือออกเครื่องรุ่นใหม่ออกใหม่ล่าสุดเลยเครื่องสามหมื่นบาทใช่ไหมเขาให้เราผ่อนเดือนละสองพันนี่สองพันมันพอผ่อนได้ถามว่าโทรศัพท์มือถือเรายังดีๆอยู่เนี่ยจะซื้อใหม่จะตกเป็นเครื่องเหยื่อล่อของสังคมไหมตรงนี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลที่กู้เงินเนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่ า, ากระแสงเงินสดของเราเป็นเท่าไหร่แล้วเราเป็นไปตามอำนาจกิเลสหรือเป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่กำลังอยู่รอบๆตัวเราหรือเปล่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นพระุทเจ้าให้เอาลมหายใจใช้หลักพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นเลยท่านอาจารคะทีนี้มาถึงเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดไปในส่วนของรัฐก็ต้องพิจารณาดูเหมือนกัน ว่าเงินเดือนที่ให้เนี่ยมันพอดีกับการใช้จ่ายตามความจำเป็นของเขาหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าให้เงินเดือนต่ํากว่าที่มาตรฐานการครองชีพควรจะดารงอยู่ได้อันนี้มันก็คงจะลำบากที่จะทําตามพระพุทธเจ้านะคะอันนี้อันนี้เราก็มองแบบต้องมองโลกประกอบไปด้วยเพราะว่าเราพูดกันถึงเรื่องถามโลกตอบธรรมถ้าอาจารย์คะทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งที่ ในเมื่อวันนี้มันเป็นโลกของทุนนิยมถ้าไม่มีสตางค์เนี่ยเหมือนกับแมมชีวิตมันขัดข้องมากมันก็เลยมีคนที่เขาพยายามใช้ชีวิตแบบไม่มีสตางค์พอดีไปอ่านพบในเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสุภาพแห่งชาตินะคะเขาบอกว่ามันมีการลองเปิดหลักสูตรที่ชื่อว่าลองใช้ชีวิตในเมืองใหญ่คือในกรุงเทพเนี่ยโดยไม่มีเงินก็ <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะรู้สึกว่าวันละแปดชั่วโมง๋ อ, อค่ะวันเดียวกับท่านคะโดยเขาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะอ่านแบบย่นยอให้ฟังว่าคนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นคนทำงานออฟฟิศยี่สิบคนระยะเวลาแห่งการเข้าหลักสูตรเนี่ยเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นให้งดอาหารเช้ามาจากบ้าน แล้วก็มาพบกันที่หน้าห้างใหญ่ย่านสยามสแควร์เงินทองบัตร ATM มือถือที่พกมาเนี่ยให้ฝากไว้ที่อาจารย์ตอนเย็นจะคืนให้ทุกคนจะต้องหาวิธีไปถึงจุดนัดพบหน้าห้างใหญ่ตรงแยกลาดพร้าวเวลาหโมงเย็นนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติการด้วยท้องอันกิวหิวเนี่ยประสบการณ์ของบางคนก็เล่า ว, ว่าสุภาพสตรีคนหนึ่งพยายามรวบรวมความกล้าไปของเงินค่ารถเมย์แต่บอกใจไม่กล้าพอ รูปร่างหน้าตาแบบเธอเนี่ยใครก็จะเชื่อให้มีเงินเลยสักบาทหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นใช้วิธีเดินเดินจากสยามสแควร์มาถึงแยกลาดพร้าวโดวยไม่มีอาหารและน้ําตกถึงท้อง mm. อีกรายหนึ่งนะคะบอกว่า mm. เห็นแม่ค้าหมูปิ้งหน้าตาท่าทางเมตตาปรีเข้าไปหาเลยแม่ค้าก็เมตตราจริงให้มาสองไม้กับข้าวเหนียวด้วยนะคะบอกว่าทันทีที่ได้เนี่ยแหมมันหิวมันไม่มีตังมีคนให้แบบนี้ นึกในใจเลยว่าเดี๋ยวหน้าพอจบหลักสูตรเนี้ได้เงินคืนเมื่อไหร่จะมาเหมาทั้งแผงเลยซื้อหมดทั้งร้านเลยแต่ก็ยังไม่จบภารกิจนะคะจำเป็นที่จะต้องไปขอใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งจะต้องติดต่อกลับเข้ามาอย่าง อ, อย่างผู้ที่คอยควบคุมการทำกิจกรรมครั้งนี้หลายคนมองแบบหัวถึงเท้าด้วยสายตาที่ประหลาดไม่ให้ เธ อ, อก็อแม่น้ำใจแห้งแ้งกว่าแม่ค้าหมูปิ้งอีกสุดท้ายมีผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งให้ยืมเธอสัญญาตัวเองเป็นคํารบที่2 ส, สัญญากับตัวเองนะคะว่าต่อไปนะถ้าเกิดมีใครนะมาขอยืมโทรศัพท์มือถือเธอเช่นกันเนี่ยจะรีบให้เลยส่วนอีกคนนึงคะ่ะอันนี้เป็นผู้ชายพยายามทดสอบน้ําใจผู้คนไม่มีใครเชื่อว่าครบ32ไม่พิ ก, การเนี่ยจะมีหน้ามาแบมือของเงินคนนี้ก็บอกทนหิวถึงบ่ายแก่ๆ เห็นนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินไปขอเงินเธอเธอมองอย่างพินิษฐพิเคราะห์อยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินจากไป10นาทีต่อมาเธอยื่นถุงจากร้านสะดวกซื้อให้โดยไม่พูดสักคำเปิดมาดูมีเครื่องดื่มเย็นๆสองขวดแซนด์วิชและทนบัตร100บาทอยู่ในถุง mm. เขาบอกว่าอยากช่วงไปขอบคุณนักศึกษาผู้หญิงคนนะั้นแต่ว่าให้แล้วเธอก็ไม่ได้มายืนอยู่รับบุญคุณขอบคุณเธอเดินกลับไปเลยหายไปเลย mm. ชายหนุ่มคนนี้บอกว่า เ, เงินร้อยบาทอันนี้มีค่ากว่าเงินเดือนหลายหมื่นที่เขาได้รับมาหลายเท่าก็คิดว่าจะตอบแทนสังคมผู้มีน้ำใจได้อย่างไรหลังจากประสบการณ์ครั้งนี้นะคะทางด้านของวิทยากรที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เหมือนกันก็บอกว่าพยายามเข้าใจปฏิกิริยาของคนที่เราเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วก็หาเหตุผลเพื่อที่จะมาตอบว่าทาไมบางคนถึงมีน้าใจมากกว่าคนอื่น ก็บอกว่าก็ได้พบว่าคนที่รับฟังเนี่ยนะคะจะจัดได้ว่าถือว่ามีน้ำใจแล้วรับฟังไม่ช่วยกันยังดีแต่บางคนเนี่ยประเภทแบบเร่งรีบนะคะเชิดหน้าเดินผ่านไปพร้อมกับส่งสัญญาณอ ม, มหิตเหมือนกับจะแปลออกมาว่าชีวิตใครชีวิตมันอย่ามายุ่งกับฉัน oh. <laughs> ผลที่ได้ของการทำกิจกรรมหลักสูตร ลองใช้ชีวิตในเมืองใหญ่โดยมีเงินแล้วไม่มีมือถือในระยะเวลา8ชั่วโมงเนี่ยเขาก็สรุปว่ า, าส่วนใหญ่แล้วนะคะสรุปตรงกันเลยว่าต่อไปจะไปทำหน้าที่เป็นผู้ให้อย่างเต็มใจไม่มีคนร้องขอเพราะถ้าเราไม่ให้ไม่ช่วยคนในสังคมแล้วสังคมที่เราอยู่ร่วมในวันนี้ก็คงไม่มีการให้มีแต่ความเป็นตัวใครตัวมันหลักสูตรครึ่งวันนี้ได้ชี้ทางว่าเราควรใช้ชีวิตส่วนที่เหลืออย่างไกลค่ะ สำหราคนที่อันนี้จะมีประเด็นทํำยังไงบ้างใช่ไหมใช่ไหมคะใช่เนาะคนที่เดินไปจากที่สยามสแควร์ไปถึงเซ็นทรัลลาดลาได้เนี่ยเป็นคนที่มีอดความอดทนมากค่ะเพราะฉะนั้นเราควรยกย่องบุคคลผู้นี้เนี่ยในข้อที่เขาเป็นคนที่มีความอดทนอืมประการที่สองคนที่ไปขอขอหมูปิ้งจากแมค้าหมูปิ้งใช่ไหมค่ะแมคคาหมูปิ้งให้หมูปิ้งมาสองไม้นะค่ะเราคิดว่าหลังจากที่เสร็จงานนี้แล้วจะไป หมาหมูปิ้งหมดร้านเลยเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตันยูสูงนะค่ะแล้วมันแสดงให้เห็นถึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุญขนาดไหนค่ะหมายะอย่างพระเองด้วยกันเนี่ยเดินไปบิณธบาตอยู่วัดเดียวกันเดินไปบิณธบัติแค่กลับมาจากบินธบัติเนี่ยแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยได้อาหารบินธบาติไม่เท่ากันอืมแสดงถึงว่าท่านทําทานมาขนาดไหนมันก็ดูดูที่ตัวเราด้วยถูกไหมค่ะประการที่สองที่เขาพระพุทธเจ้าพูดถึงอย่างนี้ว่า บุคคลเนี่ยถ้าถูกต้องความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะได้ผลสองอย่างคือหนึ่งจะจ้มปรักอยู่ในความทุกข์นั้นหรือสองสแสวงหาว่าบุคคลภายนอกเราได้เราหนึง่งจะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีไหมค่ะดังนั้นในในข้อสามสีตัวอย่างที่คุณยมสันติยกตัวอย่างมาเนี่ยพีแซังเห็นเลยว่าบางคนก็อ่ะไม่ต้องพึ่งใครชั้นทำของชั้เองบางคนก็อ่ะไปสแสวงหาทางออกภายนอกโดยให้คนอื่นช่วยค่ะอย่างนั้นจริง ตามที่พระพุพะพทธองค์เคยตรัสไว้เลยค่ะผลของความทุกข์เป็นสองอย่างแล้วก็อีกวรตการหนึ่งคือพระเจ้าได้เคยตรัสกับพระเจ้าระเสนนิโกโสนอย่างนี้ว่าเรื่องนี้ยมีในกรุงสาวัตถีว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยรวยมากแต่ว่าไม่มีบุตรแล้วก็ตัวเองไม่ได้ทําพิธีกรรมไว้ก็เลยจะต้องพระเจ้าเปเสนนิโกโสนเนี่ยเลยต้องมาเอาทรัพย์เนี่ยไปเข้ากลางหลวงก็เลยมาหาพระเจ้าพระเจ้าพยากรณ์บอกว่าเศรษฐีคนเนี้ย ไม่ได้ทํากรรมมาอย่างนี้อย่างนี้จึงได้ผลอย่างนี้เปรียบเสมือนกับสระโบครณีที่มีน้ําไหลใสเย็นสดดีเนี่ยแต่ว่าบริเวณนั้นไม่มีคนอยู่เลยไม่มีใครที่จะมาใช้ประโยชน์จากสระน้ำนี้ได้หลยสระน้ำนี้ก็ไม่มีประโยชน์คยกตัวอย่างเปรียบเทียบบอว่าถ้าเรามีทรัพย์อยู่มีทรัพย์อยู่มากพอสมควรเนี่ยแล้วทรัพย์นี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้จ่ายโดยให้เกิดประโยชน์เช่นไม่ได้ให้ปิดามารดาไม่ได้ช่วยเหลือภรรยาท่ากรรมกรสังคมเนี่ย ซับนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ค่ะแต่ถ้าซับใดไ ด, ได้ถูกเอามาใช้จ่ายอย่างที่ข้อสรุปเนี่ยนะว่าถ้าถ้าเรามีเงินมีคนร้องขออะไรเราจะให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นจาคะการให้ที่ควรยกย่องอ ม, มันคนก็้าจะคิดอย่างนี้นะคะว่ามาหลอกเราหรือเปล่าหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเองของดิฉันเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันที่ว่าลืมเอากระเป๋าสตางค์มา เวลามันเกิดภาวะอย่างนั้นนี่มันงงจริงนะครท่านแล้วจะทํำยังไงดีเพราะสังคมเมืองหลวงมันเป็นสังคมตัวใครตัวมันน่ยนะคะจริงค่ะยิ่งพระเนี่ยเจอประจำํำจะบอกให้พระสงฆ์เนี่ยเจอประจําเจ อ, อยังไงครท่านก็อยู่ในวัดอย่างนี้บางทีก็มีคนมาบอกว่านี่มาจากต่างจังหวัดไม่มีเงินจะกลับบ้านเออขนาดนี้ น, นนะค่ะ แล้วเียเพอกลับแล้วจะเอามาคืนในลักษณะนี้มีมีหมด อ, อะไรอ๋อเหรอคะมีทั้งนั้นอ๋อ เ, เราั้นก็แล้วแต่คนเนะะาะจะมีอ่าปิดเป็นอย่างไรคือบางครั้งเนี่ยอย่างอย่างตัวเองสมัยทำงานโทรทัศน์นะค ะ, อะตอนนั้นแบบแคล้ายๆเรามีชื่อเสียงเนี่ยคนมาหายเยอะมากที่สถานีในลักษณะที่ท่านได้พูดถึงว่าพระโดนเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวเองได้พบว่าบางทีเป็นการมาหลอกอะคะ่ะ ถูกถูกเป็นอย่างนั้นน่ยค่ะซึ่งมันก็เลยอาจจะทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊จะช่วยดีหรือเปล่าโดนหลอกอยู่หรือเปล่าได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะมันทําให้เราเห็นว่าบนโลกใบนี้เนี่ยเรื่องของน้ําใจยังเป็นสิ่งจําเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนเพราะว่าบุคคลมีจาร้าการให้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ค่ะท่านคะถ้าอย่างนั้นในเรื่องน้ําใจเนี่ยถ้าพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ตรงๆเนี่ยมีไหมคะ เรื่องของน้ำใจก็คือว่าการที่เราเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นน้ำใจราเว้นจากการไม่เอาทรัพย์ของเขานี่ก็เป็นน้ำใ จ, จา ก, การช่วยเหลือที่พุทธเจ้าพูดถึงคือความกรุณาแล้วก็เรื่องของการให้มีมืออันชุ่มที่เกิดจากการปล่อยแล้วอย่างนี้ก็เป็นการให้เป็นน้ำใจอย่างหนึง่งสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะอ่านพุทธประวัติเรื่องสุญญาตาอยากจะทราบ ว่าภายในหนึ่งนาทีท่านอธิบายสุญญาตาคร่าวๆได้ไหมคะสุญญาตาก็คือความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนค่ะก็คือพระพุทเจ้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะยงทรงอยู่ในสุญญาตาวิหารคือก็อยู่ว่างๆเฉยๆเป็นลักษณะว่าอ่ามันไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรนะและนะความเป็นตัวตนก็ไม่มีในสุญญาตาอืมเพราะฉะนั้นทรงอยู่ในวิหารธรรมเนี้ยส่วนเป็นส่วนมากค่ะถามว่า สุญญาตาวิหารที่พระาจ้าก็ทรงน้อมนําให้ภิกษุเข้าอยู่อาศัยเหมือนกันค่ะเพราะนั้นก็คือความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่มีตัวตนเป็นลักษณะของนิพพาน ค, คือว่างหมดดับหมดทุกอย่างไม่มีอะไรอันนี้เราอธิบายแบบสั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะสุญญาตาได้เนี่ยคงจะไม่ง่ายหรอกนะคะไม่งั้นพระพุทธองค์คงจะทรงไม่ใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะตรัสรู้หกปีใช่ไหมคะ แล้วถาบอกต้องเป็นอาทรงไทยแล้วน <c oughs> เนาะอ๋อคือ <c oughs> รวมไปถึงพระชาติก่อนๆด้วย <c oughs> ใช่ค่ <c oughs> ะดิฉันเองก็คิดอยู่แต่ใกล้ๆตัว <c oughs> ปัจจุบันเท่านั้นถ้าจางเข้าวันนี้เนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากทีเดียวเดี๋ยวเนื่องจากเวลาเราก็มีวันละจำกัดแต่เรามีหลายวันเอาไว้ไปต่อกัน วันต่อๆไปในส่วนที่คิดว่าน่าที่จะเอามาพูดกับท่านผู้ฟังอีกนะคะวันนี้ก็นำมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจาร ย, ย์ไพบูรณ์ณพิปุลโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะคะที่มีปฏิปทาในการที่จะถ่ายทอดพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดคะด่ะน้ำมัสการขอบพระคุณค่ะอาจรพร